สุภาษิตง่ายๆที่เขาบอกว่าความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายสุภาษิตบทนี้นี่มีมาก่อนที่ผมจะเกิดด้วยนะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความประมาทเป็นท้นทางแห่งความตายอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบทที่ใช้ได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตของเราเลยก็ได้เห็นไหม คนที่ประมาทเนี่ยเมาแล้วขับที่มอเตอร์ไซค์ซิ่งพวกเนี้ยส่วนมากจะตายทั้งนั้นแหละแต่บางคนไม่ตายก็พิการนะบางคนพิการไปตลอดชีวิตเลยอย่างอย่างผมเนี่ยเทียนเป็นตัวอย่างอย่างนี้ละอันนี้ก็ขึ้นชื่อว่าประมาทเหมือนกันไม่ตายแต่เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่พอ ร, รอดมาได้เนี่ยก็ต้องพิการตลอดชีวิต อันเนี้ยถือว่าเกิดจากความประมาทแล้วก็การใช้ชีวิตในสภาพเช่นนี้ยยนลำบากมากประมาททั่วพริบตาเดียวแล้วคนที่เป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่ามีผมคนเดียวนะตอนไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นคนไข้แบบเนี้ยเยอะเลยพวกเราต้องระวังให้ดีการไปเล่นน้ําที่ใดก็ตามห้วยหนองคูคลองหรือบึงแม้แต่น้ําที่ทะเลเราต้องลง ไปในน้ําอย่างให้รู้ซะ ก, ก่อนว่าน้ํามันมีความตื้นลึกแค่ไหนถ้ากวาดําลงไปแล้วชูมือขึ้นมาเนี่ยมือไม่โผล่นในน้ําแล้วก็กระโดดไปเถอะไม่เป็นไรแต่ระวังให้ดีอาจจะมีตออาจจะมีหินหรือไปเล่นน้ําตกที่ไหนระวังให้ดีน้ําตกนี่มันน่ากระโดดมันเย็นแต่ไม่รู้เลยว่าข้างล่างเนี่ยจะมีหินที่โรงพยาบาลเจอร้ายคน ที่กระโดด น, น้ําแบบเนี้แล้วก็ศีรษะไปกระแทกต่อกระแทกหินแล้วก็พื้นพื้นทรายในทะเลเนี่ยอันเนี้ยเกิดจากความประมาทไม่ระวังนะและอีกว่าเภทหนึ่งประเภทขับรถบอเตอร์ไซค์หรืออุบัติเหตุจากรถยนต์เนี่ยจะมีการแบบนี้ทั้งนั้นเลยคือร่างกายส่วนล่างเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวได้แต่ศีรษะแล้วก็แขนอันเนี้ยแล้วก็พิการตลอดชีวิตเสียอนาคตไปก็มีไม่ให้พวกเราจําไว้ นะไปเล่นน้ำที่ไหนต้องระวังถ้าน้ำไม่ปลอดภัยแล้วก็อย่าไปากระโดดนะดูให้ดีซะก่อนอันนี้เจอเยอะเลยแล้วเวลาเราเกิดพลาดท่าเพราะความประมาดด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่คนเดียวหรอกคนรอบข้างคนที่รักเราคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเขาก็พลอยเป็นทุกข์กับเราด้วยอันนี้ทาให้เรา มีความเศร้าอีกเราเศร้าคนเดืยวไม่เพียงพอนะพาให้คนที่รักเราเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยอย่างนี้จะหาความสุขได้อย่างไรเ mm hmm. พราะฉะนั้นอย่าประมาทไม่ตั้งการเรียนหนังสือนะวันนี้เรียนเรื่องอะไรกลับไปจดกลับไปทบทวนทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดการจําได้ง่ายๆถึงเวลาสอบเนี่ยก็ไม่ต้องดูอะไรมากแค่ทบทวนก็สอบได้แหละทําข้อสอบได้แนละ้วเพราะนั้นการเรียนก็ไม่ควรประมาท อันเนี้ยเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตว่าไม่ควรประมาทเราจะได้ไม่มาเสียใจในภายหลังการไม่ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังนะบางทีมันแก้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจสิ่งสิ่งหนึ่ ง, งว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเปลี่ยนแปลง ไม่มีแต่ความไม่แน่เพราะฉะนั้นขอให้เราจําสัจธรรมข้อหนึ่งว่าสัจธรรมคือความจริงว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งชื่ออะไรคุณชื่อถาวรถาวร อ, อะไรตั้งแต่ตอนเกิดมาเป็นเด็กทารกโตขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่แล้วก็ตายชื่อถาวรยังมีอยู่ แต่คนที่ชื่อถาวรนี่ไม่มีแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีขอให้เราจำไว้เถอะเรามีความสุขแต่อย่าคิดว่าความสุขเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีใครมีความสุขตลอดชีวิตในทางตรงข้ามถ้าเรามีความทุกข์มีปัญหาก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีใครเราจะมีความทุกข์ตลอดชีวิตเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมามีความสุขได้ คนที่มีความผิดหวังอย่าคิดว่าความผิดหวังจะอยู่เราตลอดไปเดี๋ยวความผิดหวังก็เปลี่ยนไปเป็นความสมหวังทุกอย่างเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็น ไ, ไหมใครเข้าใจสัจธรรมข้อนี้แล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบไม่มีปัญหาเลยเพราะเข้าใจชีวิตจริงมา่าทุกอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่ามีเศรษฐีคนหนึ่ง มีลูกชายอยู่สองคนเศรษฐีเนี่ยก็ต้องจากโลกนี้ไปก็ห่วงลูกชายมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกชายมอบมอบจนหมดแล้วตรงท้ายเหลือแหวนอยู่สองวงวงหนึ่งเป็นแหวนเพชรราคาแพงก็มอบให้ลูกชายคนโตวงที่สองเป็นแหวนทองธรรมดาเกลี้ยง มออให้ลูกชายคนเล็กแต่แหวนทองทเกลี้ยงเนี่ยมีเป็นภาษาเขียนว่าทุกอย่างไม่แน่นอนทุกอย่างไม่แน่นอนดูแลไม่มีค่าไม่มีราคาเลยนะแหวนทองแต่มีคำคำหนึ่งว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเศรษฐีก็ตายจากไปลูกคนโตที่มีแหวนเพชรเนี่ยไปประกอบธุรกิจ ได้กำไรมหาศาลดีอกดีใจภูมิอกภูมิใจคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ได้กำไรเนี้ยตลอดไปอยู่มาวันหนึ่งค้าขายลงทุนหนักขาดทุนทำใจไม่ได้เป็นโรคประสาทต้องเข้าโรงพยาบาลเห็นไหมส่วนลูกชายคนเล็กได้แหวนทองไปหนึ่งวงเขียนสลักว่าทุกอย่างไม่แน่นอน เวลาค้าขายได้กําไรก็ทําใจว่าอ๋อวันนี้ได้กําไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกเห็น ไ, ไหมใจธรรมดาธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งค้าขายขาดทุนขาดทุนก็ทําจะได้ว่านั่นไงเห็นไหมทุกอย่างไม่แน่นอนเข้าใจสัจธรรมข้อรวมไม่แน่นอนน้องชายก็เลยไม่ต้องไปโรภประสาทไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เพราะฉะนั้นทุกคนลองจําไหมนะว่า อะไรก็ตามที่ผ่านมาชีวิตเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่รับรู้เอาไว้ได้เมื่อเวลาเรามีความสมหวังมีความสมหวังหรือมีความสุขก็จะดีใจจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวจะกลายเป็นความประมาทนะเพราะว่าความสมหวังความดีใจนั้นมันแน่นอนไหม มันไม่แน่นอนอย่าไปยึดมันม่นถือมั่นรับรู้รับทราบเอาไว้ไม่ไปฏิเสธดีใจพอสมควรเนี่ยบางคนเห็นไหสอบ entrance ติดโอ้ดีใจมากเลยดีใจมากแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปเรียนเนี่ยสอบไม่ผ่านไปเรียนปีแรกสอบไม่ผ่านต้องออกจากมหาวิทยาลัยเห็นไหมอันเนี้ยแทบฆ่าตัวตายเลย เพราะนเวลาสมหวังก็ให้ทำความเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนและเวลาผิดหวังอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งเศร้ามันเป็นเรื่องธรรมดาผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาให้ยอมรับความจริงในข้อนี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์มากให้มีสติรู้เท่าทันในความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราเราจะมีชีวิตแบบมีปัญญาจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังอันนี้เป็นศาสนาธรรมข้อหนึ่งเมื่อเวลาผิดหวังก็ให้นึกถึงว่าอ๋อละมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านแล้วต่อไปเราก็จะมีความสมหวังเห็นไหมมันเปลีป่ยนแปลงอย่างนี้แหละเวลาชีวิตเราเกิดในทางลบอย่าลืมมองในทางบวกเพราะโลกเหล่านี้มีมืดมีสว่างมีผิดหวังมีสมหวังมีทุกข์แล้วก็มีสุขคละๆกันไปคนที่เข้าใจข้อนี้แล้วเนี่ยจะไม่เป็นโลกประสาทจะไม่ฆ่าตัวตาย จะเข้าใจชีวิตจะมีปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างไม่มีปัญหาอย่าไม่มีความทุกข์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำอยู่ทุกวันก็คือการรู้จักยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็แก้ไขความอดทนเนี่ยสำคัญมากนะคนไหนที่มีความอดทนมากเขา้ะมีคุณธรรมมากคนไหนใช้ชีวิตแบบไม่อดทนเปล่าบางเนี่ย คนนี้จะมีปัญหาบางทีเอาตัวไม่รอดฝึกอดทนไว้ก่อนเพราะว่าชีวิตทุกคนเนี่ยจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถูกไหมทุกคนต้องป่วยไข้ยัยงน้อยปวดฟันละปวดฟันเนี่ยทุกมากไหมไหนใครเป็นทุกข์กับความปวดฟันบ้างปวดฟันเนี่ยเป็นทุกข์มากปวดฟันเนี่ยมันปวดที่กายและปวดที่ใจปวดที่ฟันหรือปวดที่ใจ ฟันคือส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเกิดการปวดฟันปวดศรีรษะปวดท้องปวดเขา่าปวดแล้วก็ตามถ้าใจเราเป็นทุกข์กับความปวดเนี่ยความปวดจะรุนแรงมากแต่ถ้าเราอดทนการเจ็บปวดในรเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตใจถ้าใจอดทนได้ล้วก็ความปวดมันจะลดน้อยลงไปเนี่ยคือรู้จักอดทน ถ้าคนที่เวลาจะาค้ได้ป่วยแล้วอดครวนไม่อดทนแต่อดครวนควรกลางเนี่ยโรคภยัยก็เจ็บจะหายช้ามากแล้วก็จะเป็นทุกข์มากด้วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจต้องฝึกไว้นะหนูทุกคนเลือกจะาค่าได้ป่วยเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกฝึกเอาไว้ฝึกความเข้มแข็งอดทนไว้ทางด้านจิตใจเวลาหิวก็ต้องอดทนหิวนี่เป็นเรื่องของร่างกายหรือจิตใจ ไหนใครใจหิวบ้างร่างกายมันหิวแต่ใจเนี่ยไม่ต้องโมโหไม่ต้องหงุดหงิดถึงเวลาแล้วก็ไปทานเพราะฉะนั้นต้องรู้จักอดทนแม้แต่ความหิวความร้อนความหนาวใครอดทนได้เนี่ยจะมีชีวิตที่แข็งแกร่งจะไม่เปราะบางใครที่ไม่อดทนเนี่ยชีวิตจะเปราะบางมากแล้วก็จะเอาตัวไม่รอดอดทนทัน้านร่างกายอดทนทันหน้านจิตใจเนี่ยสาคัญมาก ความอยาก อ, อย่างเช่นเกิดความอยากได้มือถือรุ่นใหม่สักเครื่องหนึ่งความอยากนี่เกิดขึ้นที่ร่างกายหรือจิตใจความอยากเกิดที่จิตใจนะก็ต้องอดทนเหมือนกันนะอดทนต่ออารมณ์อารมต่อความอยากอยากสูบบุหรี่อยากดื่มสุราอยากกินยาเสพติดอนเนี้ยต้องอดทนให้ได้ใครอดทนได้เนี่ย ชีวิตจะเข้มแข็งมากอดทนกับความโกรธไหนใครไม่เคยโกรธไหนใครเคยโกรธบ้างเอาละขอบใจมากเวลาโกรธเป็นไงมีความสุขดีไหมอันตรายนะความโกรธเนี่ยความโกรธเกิดที่น่ากายหรือจิตใจความโกรธเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันคือนรกถ้าตายไปตอนนี้ตกนรกแน่นอนความโกรธเป็นความร้อน ความโกรธทำให้แก่วัยหน้าตาไม่สวยเขาจะบอกว่าถึงยามโกรธโปรดส่องมองกระจกดูวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาดังยักษ์าราศีไม่มีเลยเวลาโกรธไปดูเถอะดูที่กระจกอะเหมือนยักษ์เขาจึงวาดความโกรธเป็นสิ่งที่มีเขี้ยวเป็นยักษ์ เรนั้นเกิดความโกรธต้องอย่าอดทนอย่าทำตามความโกรธอย่าพูดตามความโกรธ ถ, ถ้าทำตามความโกรธไปทำลายเขาไปฆ่าเขาก็เสียอนาเขาเด็ไปดา่าไปว่าเขาเนี่ยบางทีเขเจ็บตัวเคยไปในสถานพินิจเคยไปในเรือนจำเอ็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอายุขนาพวกเรานี่แหละสิบเจ็ดตแปดนี่แหละต้องไปติดคุก เสียอนาคตเพราะความโกรธทนต่อความโกรธไม่ได้ทำลายร่างกายกันทนกับความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ได้ไปรักขโมยก็เนี่ยอยู่ในเรือจนจำเนี่ยเสียอนาคตเลยเพราะพวกเราเนี่ยระวังให้ดีรู้จักอดทนต่อความโกรธกับความอยากให้ได้ไม่งั้นเราจะเสียอนาคตอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์พวกนี้เกิดจาก เมาดื่มสุรากินยามากินยาบ้าเมายาเมาสุรายเนี่ยจะทําอะไรก็ได้จะฆ่าใครก็ได้จะลักขโมยใครก็ได้เพราะสุราเนี่ยเป็นต้นเหตุพวกเราระวังให้ดีนะผู้นี้ทําให้เราขาดสติใครเคยมีความท้อแท้บ้างใครเคยมีความท้อแท้ในชีวิตบ้างความท้อแท้เนี่ยหนูระวังให้ดีนะคนที่มีความท้อแท้เนี่ย สิ่งนี้ตามมาคือความซึมเศร้าเพราะเกิดความซึมเศร้าแลนะ้วจิตมันจะเบลอกายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตชีวาไปเลยเป็นปัญหากับตัวเองแล้วก็เป็นปัญหากับคนรอบข้างเมื่อเกิดความท้อแท้ให้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นท้าทายท้าทายอย่าไปท้อแท้ตามมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งท้าทายขึ้นมาบอกไม่เป็นไรแล้ว ไม่เป็นไรอย่าบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเคยไหมถ้าไม่ไหวนี่เราก็จะไม่ทำอะไรเลยถ้าทายมันสมมุติว่าเราจะยกของหนักๆสักสอย่างหนึ่งยกของหนักๆนะถ้าเราบอกไม่ไหวนี่เราจะไม่อยากยกใช่ไหมถูกไหมเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเราเปลี่ยนว่าพอไหวถ้าพอไหวนี่มันอยากจะยกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักท้าทายพวกเราเนี่ยอายุ น, น้อยๆกำลังจะเจริญเติบโตแล้วก็จะมีชีวิตอีกยืนยาวเราต้องกระตือรือร้นอย่าเป็นคนหงอยเหงากระตือรือร้นมันจะได้เป็นคนที่แอคทีฟสดชื่นความกระตือล้นเนี่ยทำให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคกับชีวิตไปได้ความขี้เกียจอย่าให้มีในตัวเราไหนตอนเช้าใครขี้เกียจตื่นนอนบ้าง ขี้เกียจตื่นนอนอันนี้สําคัญนะตื่นสายเนี่ยสมัยเนี่ยจะหากินไม่ทันก็สมัยที่ผมเป็นเด็กๆผมจะตื่นตอนตีห้าวิธีการทําให้ตื่นง่ายๆนี่ก็คือใหม่ๆอาจจะตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้ให้ใครปลุกก็ได้ตั้งเวลาไว้ตีห้าพอนาฬิกาบอกเวลาตีห้าปั๊บตื่นขึ้นมา อันดับแรกคือเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำปัสสาวะก่อนเลยฝึกอย่างเงี้บยบ่อยๆเข้าเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยหนูไม่ต้องตั้งเวลาไว้หรอกเดี๋ยวถึงเวลามันตื่นเองเพราะถ้าเราไม่ตื่นเนี่ยก็ปัสสาวะแล้วจนนอนใช่ไหมพราะตื่นมาเข้าห้องน้ำเลยเข้าน้ําเสร็จกระจับกระเฉงอย่าทําใบหน้าสึบเสมันก็จะง่วงต่อไปแต่พวกเราเนี่ยมักจะพอนาฬิกาดังตอนตีห้าไปปิดแล้วก็นอนต่อใช่ไหม ต้องฝึกตัวเองนะสมัยเนี้ยตื่นสายจะหากินไม่ทันก็อันเนี้ยเคยฝึกเนี่ยพอตื่นมาเข้าห้องน้าก่อนตื่นมาห้องน้ำก่อ น, น, น, อนแล้วต่อไปพอถึงเวลาก็ตื่นเองอันเนี้ยเราต้องต้องฝึกเอาไว้นะต้องฝึกช่วยตัวเองฝึกช่วยตัวเองหมากๆเคยมีคนสัมภาษณ์เด็กชายคนหนึ่งก็าถามเด็กชายว่าหนูหนูโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร เด็กว่าไงไหมอยากจะเป็นนายกสป้าคนต่อไปหนูโตขึ้นจะเป็นอะไรเป็นนายพลและหนูล่ะจะเป็นหมออีกคนหนึ่งจะเป็นครูเขาถามว่าหนูเติขึ้นมาในพระพรหมหรือเปล่าบอกพระพรหมยังไม่เป็นเลยโธ่และใครพระพรหมให้คุณแม่ เรื่องของเราเองยังทำไม่ได้เลยคือทำให้เนี่ยจะไปเป็นนายกแต่พระหมไม่เป็นจะเป็นนายพลอย่างพระผมไม่เป็นเพราะนั้นพวกเราเรื่องของเราเราต้องทำให้เรียบร้อยเสื้อผ้าผ้าหม่มอย่าให้คุณแม่มาทำให้มันเป็นบาปไหนใครตื่นมาไม่พัะหมบ้างยกมือสิต้องมีบ้างอะ่ะนี่จะบอกให้ ผมนี่นิมือแบบเนี้ยพับผอมได้นะพรบผอมเองไม่เคยมีใครมาพับให้เพราะนั้นเรื่องของเราเราต้องทำเองเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต้องรู้จักเก็บเองอย่าให้คนอื่นมาเก็บให้มันจะเป็นบาปคุณแม่ให้เราเกิดมาแล้วลําบากในการเลี้ยงดูเราแล้วใจท่านรับใช้เราไปถึงวันไหน เราต้องฝึกช่วยเหลือตัวเองให้มากๆเรื่องบางอย่างเราให้คนอื่นช่วยได้แต่เรื่องบางอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองอันนี้สาคัญนะพวกเราสิ่งที่สาคัญก็คือจะเป็นความอยากจะเป็นความโกรธความท้อแท้ความขี้เกียจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความคิดของเราเกิดขึ้นจากความคิดใช่ไหม อย่าเช่นความโกรธเนี่ยถ้าเราไม่คิดมันไม่โกรธใช่ั้มเพราะความคิดเป็นสำคัญอันนี้สำคัญนะถ้าหนูไม่รู้จักตัวนี้เนี่ยหนูต้องใช้ชีวิตแบบมีปัญหาความคิดมันสร้างปัญหาให้กับเราก็ได้หรือความคิดสร้างคุณประโยชน์ให้กับเราก็ได้เข้าใจใดีถ้าเรามีสติเราก็จะใช้ความคิดแบบถูกต้อง ถ้าเราขาดสติเราก็ถูกความคิดมันใช้เรามีกายมีใจคุณแม่ให้กายให้ใจมาเนี่ยเราไม่เคยเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมเราปล่อยความคิดเป็นเจ้าของเวลามันเกิดความอยากเราก็ทำตามความอยากเวลามันเกิดความโกรธล้วก็ทำตามความโกรธอย่างเนี้ยเราไม่เคยเป็นเจ้าของชีวิตเลย แล้วปล่อยให้ความคิดอยากคิดโกรธเป็นเจ้าของและเวลาเกิดปัญหาเนี่ยความคิดไม่เคยรับผิดชอบเราเลยเราต้องหากต้องมานั่งเสียใจเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ทันความคิดของเราเครื่องมือในทางทำข้อหนึ่งที่ว่าสามารถจัดการความคิดได้ใครตอบได้เครื่องมือที่จะรู้ทันความคิด ในทางธรรมะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าเครื่องมือที่รู้ทันความคิดได้นั้นคืออะไรเป็นธรรมะก็คือสติถ้าขาสติเนี่ยเอาชนะความคิดไม่ได้หรอกสติสามารถหยุดความคิดได้เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยมีสติสติทําให้เรารู้จักตัวเราเองเอาชนะความคิดได้ทุกชนิดเลย เราจึงควรฝึกสติเอาไว้สติมีคุณประโยชน์มากสติแปลว่าความระลึกได้หรือความรู้สึกตัวก็ได้สติเนี่ยมันบ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่นะเมื่อกี้เนดูก็ทุกคนเนี่ยส่วนมากจะมีสติถ้าเรานั่งอยู่นี่แล้วปล่อยจิตใจเลื่อนลอยลืมเนื้อลืมตัวเราขาดสติเราก็คือซากศพถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเรามีชีวิตอยู่เห็นไหม นูรู้จักความใจลอยไหมเวลาใจลอยเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเราเหมือนไม่มีชีวิตแต่เรามีความรู้สึกดีขึ้นมาเนี่ยเรากลายเป็นคนมีชีวิตขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นการมีสติเนี่ยทําให้เราเนี่ยไม่หลงลืมตัวชีวิตไม่ผิดพลาดเมื่อเรามีสติแต่ถ้าเราเผลอไหมล้วก็มีโอกาสผิดพลาดในชีวิตได้มีสติเพื่ออะไร เพื่อ้มารู้จักตัวเราถ้าเรามีสติใช้ทวิตแบบมีสติเราจะเริ่มรู้จักตัวเรารู้จักความต้องการของเรารู้จักความถนัดในตัวเราบางคนนี่ไปสอบทำงานถูกสัมภาษณ์ว่าคุณถนัดอะไรบางทีบอกไม่ได้ว่าเราถนัดอะไรเห็นไหะแสดงว่าไม่มีความรู้สึกตัวไม่รู้จักตัวเองว่าเราถนัดว่าจะทําอะไรดี การมีสติถ้าไม่เรารู้จักรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วจะเข้าใจคนอื่นด้วยจะไม่มีปัญหากับใครอันนี้สำคัญนะมีสติเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ทันความคิดมีสติเพื่อให้รู้ทันความคิดถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็ความคิดมันใช้ชีวิตเรา ถ้าเรามีสติเราจะกลายเป็นผู้ใช้ชีวิตเอาชนะความคิดได้การเอาชนะความคิดได้นี่เท่ากับเป็นการเอาชนะตัวเองเวลามันเกิดความโกรธถ้ามีสติความโกรธก็จะหายไปเราชนะได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเวลามันเกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น ถ้ามีสติเกิดขึ้นปับ๊บอาการพวกนั้นจะหายไปทันทีถ้าเราต้องการจะคิดอะไรถ้าคิดด้วยสติมันก็คิดแบบเป็นระเบียบเห็น ไ, ไหมคนนอนไม่หลับเพราะอะไเราขาดสติใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่หนูฝึกไปเนี่ยนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยพลิกมือหงายรู้พลิกมความรู้เนี่ยถ้าหนูนอนไม่หลับหนูไปพลิกมือเล่นอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวหลับสบายเลยมีไหมมีคนนอนไม่หลับไหม หรือไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนต่างกันนะนอนไม่หลับก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอายุขนาดนี้เนี่ยถ้านอนไม่หลับเนี่ยทำใจได้เลยวต่อไปจะแก่เร็วอแล้วก็ตามคนเราที่นอนไม่หลับเพราะความคิดมันฟุ้งซ่านให้นอนพลิกมือเล่นนะนอนพลิกมือเล่นเดี๋ยวมันก็หลับสบายนะสําคัญนะถ้ามีสติเจ้าชนะความคิดฟุ้งซ่านได้ คนมีสติทาให้เรียนเก่งเรียนเก่งอย่างไรคนที่เรียนไม่เก่งนั้นเวลาขณะฟังครูสอนใจก็ฟุ้งซ่านเพราะขาดสติขาดสมาธิคนมีสติมันจะเกิดเป็นสมาธิเวลาครูสอนก็ตั้งใจฟังเก็บข้อมูลที่ครูสอนได้เวลาสอบก็จำได้ คนขาดสติจิตใจเลื่อนลอยเนี่ยเวลาครูสอนจะไม่รู้เรื่องแล้วว่าครูสอนอะไรเพราะจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปสติสามารถจําบทเรียนเราได้อย่างดีอันนี้สําคัญว่าคนมีสติทําให้มีคุณธรรมกลายเป็นคนดีเวลาเกิดปัญหาชีวิตแก้ปัญหาด้วยการมีสติเราจะได้ที่พึ่งเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดี เราจะเรียนเก่งเฉพาะวิชาการอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอเราต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยเก่งแต่โกง<ม>จเจ้าตัวไม่รอดคนเก่งแต่โกงเนี่ยตัวไม่รอดนะมันจะเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเลยมีแต่การเอาเปรียบเพ่แก่ตัวเนี่ยกาสติเห็นไหมกำลังฟังผมพูดเนี่ยเสียงอะไรดังไหนก็ไปดูเนี่ยกาสติแล้วเสียคะแนน เอากลับมากลับมาฟังใหม่โจวันจะจบแล้วเอาฟังต่ออีกหน่อยหนึ่งถ้าเก่งแต่โกงเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเลยจะมีแต่การเอาเปรียบเ็นแก่ตัวหนูรู้จักอีกาไหมใครรู้จักอีกาบ้างสมัยนี้ไม่ใช้อีกาแล้วอีกาเนี่เขาจะบอกว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกา กาเนี่ยเป็นจัต ท, ที่ขี้รักขี้ขโมยแต่กาเนี่ยขยันหากินเอาเยี่ยงกาคือขยันหากินตื่นแต่เช้าแต่ยาวอย่างกาคือขี้รักขี้ขโมยหนูรู้จักอีแองไหมอีแองเนี่ยบินเก่งบินสูงแต่อีแองเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารของเน่าเห็นไม่มเหมือนกับคนที่เรียนเก่งแต่ขี้โกง เป็นคนเก่งแต่ขาดคุณธรรมก็เหมือนอีแรงนะพวกเราถ้าไม่อยากเป็นอีแรงอย่าเป็นหงอยากจะเป็นหงเราต้องเรียนเก่งแล้วก็มีคุณธรรมด้วยอันนี้อยากจะขอฝากไว้นะอ่านตอนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมองมาที่ผมแล้วก็ต้งพิจารณาดูว่าผมที่มีสภาพร่างกายอย่างเนี้ยการเคลื่อนไหวก็ลําบาก นิ้วมือก็กระดิกไม่ได้ขาก็รีบใช้ชีวิตที่ลําบากมากช่วยตัวเองไม่ได้สภาพเช่นนี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากความประมาทใช่ไหมถ้าหนูทุกคนเนี่ยไม่อยากตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หนูอย่าประมาทใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทคือการมีสติใค่ควรซะก่อนที่จะทําในสิ่งใดลงไปถ้าทําแล้วผลลัพธ์ออกมาไม่ดี อย่าไปทำถ้าทำแล้วผลลัพธ์ออกมาดีทำไปเถอะพิจารณาด้วยสติเราจะไม่ผิดหวังในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามชีวิตเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเลือกไม่ได้ถ้าชีวิตมีปัญหาอย่าไปพึ่งสิ่งเสพติดอย่าไปพึ่งสุราอย่าไปพึ่งการเที่ยวอย่าไปพึ่งการพนันและก็อย่าไปฆ่าตัวตาย หนูเห็นไหมแมวดื่มสุราไหมแมวกินยาบ้าไหมแมวผูกคอตายหรือเปล่าถ้าหนูทำอย่างนี้นะหนูไปดื่มสุรากินยาบ้าเล่นการพนันผูกคอตายหนูจะอายแมวนะข้อสุดท้ายการใช้ชีวิตขอให้เรามีสติ เป็นผู้นำชีวิตมีสติก่อนจะทำมีสติก่อนจะพูดมีสติเป็นผู้นำชีวิตเอาชนะความคิดของเราให้ได้เวลามันเกิดความโกรธไม่ต้องไปห้ามแต่อย่าไปทำตามเอาชนะเลยแล้วเวลามันเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้มีสติรู้ อย่าไปทำตามเอาชนะได้เกิดความท้อแท้ให้มีสติรู้ในความคิดท้อแท้แล้วก็ไม่ต้องท้อแท้ตามเอาชนะได้เวลามันเกิดความขี้เกียจให้มีสติรู้ว่าขี้เกียจอย่าไปขี้เกียจตามเอาชนะได้การเอาชนะตัวเองนั้นคือการเอาชนะความคิดใครสามารถเอาชนะตัวเองได้นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐจะเรียกว่า ย, ยอดคนก็ได้ แล้วก็เราจะไปกดที่ใช้ชีวิตที่สมหวังและก็จะมีความสุข